สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษย์วิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่สี่สิบเก้าเรื่องท่าทีของเราต่อความผิดบาปทางเพศพี่น้องครับพอจะน่าของพระเจ้าสุภาษิตตั้งแต่บทที่หนึ่งถึงบทที่เจ็ดที่เราได้อ่านไปแล้วนั้นเราจะสังเกตพบว่าพระคัมภีร์สุภาษิตนั้นให้ความสําคัญในเรื่องความผิดบาปทางเพศมากครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ความผิดบาปทางเพศนั้นทำให้ชีวิตของผู้ชายและครอบครัวของเขาเสียหายยับเยินซ่อมยากจากนั้นในเรื่องนี้เราจึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งครับเราจะต้องสอนลูกหลานของเราในเรื่องของการวางตัวเราจะต้องฉีดภูมิคุ้มกันก็คือคำสั่งและคำสอนพระวจะนะของพระเจ้าในเรื่องของความบาปทางเพศให้กับลูกหลานเราอย่างสม่ำเสมอ เวลาที่เราฉีดภูมิคุ้มกันนะครับจะต้องมีการฉีดเข็มแรกหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันบางตัวของบางโรคนะครับก็จะต้องมีการบูสเตอร์บูสเตอร์ก็คือการการะตุ้นให้ภูมิคุ้มกันนั้นขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะรองรับนะครับเชื้อโรคที่เข้ามาและสามารถเอาชนะเชื้อโรค ต, ต่างๆเหล่านั้นได้เจ้าของก็คือร่างกายนั้นก็จะไม่ป่วยครับพี่น้องครับ การสอนลูกหลานของเราก็เหมือนกันในเรื่องการวางตัวทางเพศในเรื่องของการรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศนะครับในเรื่องของความบาปทางเพศและความรุนแรงของมันจะต้องมีการกระตุ้นเตือนสอนเสมอกระตุ้นเตือนอยู่เรื่อยๆครับนะครับรับคำสั่งและคาสอนพี่น้องคงจำได้นะครับว่าคำสั่งก็คือคำห้ามนะครับเป็นคำสั่งห้ามทำอย่างนั้นจงทำอย่างนี้นะครับและคาสอนก็คือคา สั่งสอนที่เจือพนไปด้วยความรักและความเมตตาสอนเพื่อให้มีสติปัญญาสอนเพื่อให้หลีกเลี่ยงจากความผิดบาปพียง ค, ครับคําสอนเหล่านี้เป็นคําสอนที่สําคัญมากในคริสตจักรในครอบครัวเพื่อหลีกนี้หลีกเลี่ยงจากความผิดบาปในเรื่องนี้อย่างจริงจังครับและให้สอนลูกหลานของเราให้ระมัดระวังที่จะไม่ตกในกับดักไม่ตกในกับดักไม่ตกในหลุมพราง ของการล่อลวงความบาปนี้โดยหญิงแพทยสยาเพียงครับหรือโดยคนที่พยายามมุ่งร้ายทําให้ชีวิตของเรานั้นล้มเหลวเพียงครับเราพึงรู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นบริสุทธิ์ครับแต่ความบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นดําเนินควบคู่ไปกับความรักและการให้อภัยเราเห็นว่ามีพระเจ้าแต่พระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะให้ความบริสุทธิ์ความชอบธรรมความยุติธรรมของพระองค์นั้น ควบคู่ไปกับความรักการให้อภัยมนุษย์นั้นทําได้บ้างไม่ได้บ้างหรือทําไม่ได้เลยแต่พระเจ้าของเราทําได้บนไม้ยันเขนครับบนไม้ยังเขนนั้นเป็นที่พบกันระหว่างความรักของพระเจ้าและความบริสุทธิ์ของพระองค์ความรักของพระเจ้านั้นคือการให้อภัยครับความรักของพระเจ้านั้นคือการให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งความรักของพระเจ้านั้นก็คือพระคุณแต่ความบริสุทธิ์นั้น เป็นการลงโทษความยุตดธรรมนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงต้องสิ้นพระวนบนไม้งเขนเพราะเหตุที่ว่าพระองค์นั้นได้รับโทษจากพระเจ้าเพราะบาปของเราในขณะเดียวกันครับพระองค์สแสดงความรักโดยการให้อภัยผู้ที่เชื่อวางใจและศรัทธาในพระองค์ด้วยเหตุนี้ครับเพราะพระคุณความรักความเมตตาและเพราะพระบรารมี ของพระเยซูคริสต์นั้นทําให้เราทั้งหลายได้รับความรอดพี่น้องครับบาปทางเพศนั้นเป็นบาปที่ให้อภัยได้ครับเพราะว่าความบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ทําให้พระเยซูจะต้องเสด็จมาในโลกนี้และสิ้นพระชนม์บนยันเขนแต่ความรักของพระองค์ทำให้บาปทางเพศของเราและบาปทุกชนิดนั้นถูกอภัยได้โดยความ เชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์และการกลับใจใหม่ครับการกลับใจใหม่นั้นเป็นท่าทีของคริสเตียนแทนเวลาที่เขาพลาดเวลาที่เขาล้มในความบาปเขาจะไม่จมอยู่ที่นั่นเพราะว่าเขาจะรู้การรู้นั้นเป็นการรู้ที่ว่องไหวหรือไม่ว่องไวก็ขึ้นอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เขานั้นยอมให้พระเยซูสุดทํางานในชีวิตของเขามากน้อยแค่ไหน เป็นรองครับคริสเตียนแท้อย่าลืมนะครับต้องมีท่าเทียงกันกลับใจใหม่เสมอเมื่อเขาพลาดในลงลงคริสเตียนแท้นั้นจะไม่จมอยู่ในปลักครับปลักแห่งความโศโครกปลักแห่งความบาปไม่จมอยู่ที่นั่นและจะรีบจัดการแก้ไขจะต้องรีบลุกขึ้นมาจากปลักนี้ความไวฝ่ายวิญญาณครับที่จะรับการเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธินั้นสําคัญมากก่อนที่เราจะทําบาปหากว่าคริสเตียนคนใดนะครับ มีความผูกพันอยู่กับพระเจ้ามากมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีของมาทานอย่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มีมิติฝ่ายวิญญาณที่มีความสมคัญสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแน่นแฟน้นเขาจะไม่จมและเขาจะรังเกียจความบาปและเขาจะไม่ทำบาปเขาจะมีภูมิคุ้มกันแห่งความบาปเสมอเพราะจะหนั้นของพระเจ้าบอกเรานะครับว่าเราควรจะรักคนบาป แต่เกลียดชังความบาปครับเกลียดชังความบาปเกลียดชังความบาปรักคนบาปรักคนที่ทําแต่เกลียดสิ่งที่เขาทำโกรธได้แต่อย่าทําบาปครับอย่าให้ความโกรธนั้นขโมยความรักออกไปพี่น้องครับอย่าให้ความโกรธขโมยความรักของเราไปอย่าให้มารซาตานมันมาฉกฉวยความรักการให้อภัยออกไปจากเราและสร้างความเกลียดชังขึ้นมาแทนครับ พี่น้องครับความเครยียดชังนี้อยู่ในใจของเราแม้ว่าจะเป็นความเครยียดที่มีเหตุผลก็ตามแต่มันก็นำมาซึ่งความขมขื่นในใจจนกลายเป็นลาาขมขื่นที่นำความกดดันนำความเครยียดนำความแค้นเคืองที่อยากจะแก้แค้นอยากจะทาลายล้างและทำให้เราไม่สามารถเกิดการยกโทษการให้อภัยที่แท้จริงได้พี่น้องครับเราต้องรักษาใจของเรานะครับอย่างดี และมีท่าทีที่ถูกต้องก็คือเหมือนกับพระเจ้าเหมือนกับพระเยซูก็คือรักคนบาปรักคนที่ทําผิดแต่รังเกียจสิ่งที่เขาทําซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ยากครับมีคนถามผมว่าเรื่องที่ยากแล้วทำยังไงผมขอตอบว่าต้องพึ่งพระเจ้าเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องพระคุณต้องขอพระเจ้าช่วยเราให้รูวความรักเพราะความรักนั้นเป็นของประทานครับความรักนั้นเป็นของประทานขอได้ครับ เพราะฉันจึงอยากจะสรุปในที่นี้ว่าในกรณีที่พี่น้องทำผิดนะครับทางเพศพิ่งคำพีหรือคำผิดในเรื่องต่างๆเพิพ่มพีเน้นให้หลักการดังนี้ครับหนึ่งคดจับจะต้องจัดการความบาปอย่างชัดเจนไม่ประนีปรนอมหมายความว่าเราจะต้องช่วยเขาช่วยเขาโดยการพูดคุยทําความเข้าใจกับเขาระบุถึงความบาปชัดเจน เขาตอบสนองด้วยท่าทีอย่างไรเขาควรยะ้องตอบสนองด้วยท่าทีที่ยอมรับสารภาพยอมรับผิดและสารภาพประการที่สองครับเราต้องต้องช่วยเขาด้วยความรักให้เขาตั้งตัวใหม่เป้าของเราไม่ใช่ทําลายครับแต่เป้าของเราก็คือให้เขาตั้งตัวใหม่สร้างเขาใหม่เพราะพระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยแก่เข า, <The> Lord, เ, ราเราก็ต้องพร้อมที่จะให้อภัยแก่เขาด้วยถ้าเขากลับใจใมาอย่างแท้จริง พี่น้องครับบางคนอาจจะหลอกเรานะครับแต่ไม่เป็นไรครับเขาหลอกพระเจ้าไม่ได้บางคนอาจจะหลอกมนุษย์ได้แต่ว่าหลอกพระเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงยุติธรรมครับและพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้ความบาปอยู่ในครอบครัวของเรานานอยู่ในทิศจักรของเรานานพระเจ้าจะจัดการกับคนเหล่านั้นเพื่อให้ที่จักรของพวกนั้นบริสุทธิ์และมีสะงาราศีเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าประการที่สามครับถ้าเขายังไม่กลับใจใหม่เราต้องเอ็กซ์คอมมิเนตนะครับ การที่กลับใจใหม่หรือท่าทีการกลับใจใหม่นั้นย่อมเป็นอุปนิสัยของคริสเตียนถ้าเขายังไม่กลับใจหรือไม่มีคําสารภาพหรือไม่มีการยอมรับผิดไม่มีพฤติการการกลับใจอย่างแท้จริงพ่มพี่สอนว่าเราจะต้องไม่คบเขาหรืออะไรว่าคริส จ, จักรเองนั้นจะต้องลงวินัยเขาที่เรียกว่า excommunication ครับพี่น้องครับเราต้องวางหลักการจากโรพระเจ้าในการรักษาคริสตจักรให้บริสุทธิ์ครับไม่เพียงแค่เท่านั้น เราต้องรักษาครอบครัวงเราให้บริสุทธิ์ได้ด้วยการรักษาชีวิตของเราแต่ละคนให้บริสุทธิ์ถามว่าทำไมจะต้องทำอย่างนั้นคำตอบก็คือว่าเพื่อให้พระเจ้าของเราจะมีสง่าราศีผ่านการกระทาของเราผ่านชีวิตของเราครับผ่านครอบครัวของเราครอบครัวเรานั้นจึงเป็นครอบครัวที่จะถวายเกียรตินะครับพฤกรของพระเจ้านั้นจึงจะเป็นพฤจักรที่มีสง่าราศี และตัวของเราชุดของเรานั้นจะเป็นตัวหนังสือที่ให้ผู้คนอ่านเรื่องราวของพระเจ้าได้นั่นคือการเป็นพยานเราสามารถเป็นพยานได้อย่างเต็มปากว่าพระเจ้าของเราบริสุทธิ์พระเจ้าของเราเป็นความรักอาเมน